ในร่างกายของเรานะเราก็ทราบดีแล้วนะมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกมีอวัยวะน้อยใหญ่ซึ่งล้วนแต่จาเป็นสำคัญต่อความอยู่รอดนะของตัวเราแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่แต่ก็สำคัญมากทีเดียวนะสำหรับการอยู่รอดหรือการมีสุขภาพดีของเรา สิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าจุลชีวันนะหรือจุลชีพซึ่งที่เรารู้จักดีคือแบคทีเรียเวลาเราพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยเราก็นึกถึงเชื้อโรคนะเพราะว่าโรคที่ทำให้คนตายจำนวนมากเนี่ยเมื่ออดีตหรือกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดจากแบคทีเรียเชื้อโรคอหิวาบิดท้องร่วงปอดบวมไอกรนคอตีบสารพัด ยังไม่นับที่เกิดจากไวรัสเนี่เช่นผู้ที่ทำให้เกิดโรคซาโรคโควิดเนี่ยแต่เฉพาะแบคที ria เนี่ยนะเวลาเรานึกถึงเนี่ยเราก็นึกถึงเชื้อโรคแต่ที่จริงเนี่ยแบคที ria ที่ดีก็มีเยอะนะและนี่ก็คือสิ่งที่เราเพิ่งรู้กันมันไม่ใช่แค่เชื้อโรคอย่างเดียวมันเป็นเชื้อดีด้วย แล้วก็จำเป็นต่อการอยู่รอดนี่ตั้งแต่แรกคลอดเลยนะเด็กแรกคลอดเนี่ยถ้าไม่มีพวกจุลชีพหรือจุลชีวันหรือแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยอยู่ในร่างกายนี่ลำบากนะแต่เพราะว่าได้เชื้อพวกนี้มาเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยจึงทำให้ไม่ป่วยเป็นโรคต่างๆนะและเชื้อพวก น, นี้ได้มาจากไหนนะ ได้มาจากแม่นะนะธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าอัศจรรย์มากนะรู้ว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่แรกคลอดนี่ต้องการพวกจุลชีวันเนี่ยในการรักษาให้มีสุขภาพดีเนี่ยธรรมชาติก็จะให้แม่เนี่ยผ่อง่ายเชื้อพวกเนี่ยเชื้อดีเนี่ยมาให้กับลูกตั้งแต่แรกคลอด ผ่านทางช่องคลอดนะในช่องคลอดนี่โอยมีเชื้อเยอะเลยแต่เชื้อดีก็มากนะเด็กพอผ่านช่องคลอดนี้ก็ก็รับเอาเชื้อเหล่านี้จากแม่เข้าไปในตัวแลวไม่ใช่แค่เท่านั้นนะตามเนื้อตัวของแม่นี่มันก็มีเชื้อโรคด้วยนะแล้วก็เชื้อดีลูกที่ได้สัมผัสกับแม่เนี่ยเช่นแม่ได้กอดลูกเนี่ยนะตั้งแต่แรกคลอดเนี่ย นอกจากผลทางจิตใจแล้วผลทางร่างกายคือว่ามันทำให้เชื้อเชื้อดีในผิวหนังตามผิวหนังของแม่นี่เข้าสู่ร่างกายของลูกและที่สำคัญนะก็คือน้ำนมของแม่นี่อันนี้ก็เพิ่งค้นพบนะว่าน้ำนมของแม่เนี่ยซึ่งมันประกอบด้วยสารอาหารา น, านานาชนิดเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันชนิดเนี่ยโดยพอน้าตาลเนี่ยบอกว่า น้ำตาลเกือบ2องชนิดเนี่ยที่อยู่ในนมแม่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์สําหรับเด็กทารกหรือลูกเลยเพราะว่าลูกที่ดูดนมแม่เนี่ยมันไม่มีกระเคนไซม์นนะที่จะไปย่อยน้ําตาลพวกนี้จากนมแม่ได้แต่ทําไมแม่เนี่ยนะถึงผลิตน้ําตาลเนี่ยเป็นร้อยรชนิดนะที่ลูกใช้ประโยชน์ไม่ได้ อันนี้มันไม่ใช่เป็นความฟุ่มเฟื่อยนะเป็นความจำเป็นเลยเพราะน้ำตาลสองรอชนิดเนี่ยนะลูกเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าไอ้แบคที ria เนี่ยหรือว่าจุลชีพเนี่ยในร่างกายในท้องของลูกเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ดได้คือมันเป็นการบำรุงนะนมแม่เนี่ยไม่ได้บำรุงลูกอย่างเดียวนะบำรุงแบคที ria หรือจุลชีวันในท้องของลูกด้วยเพราะอะไรนะ เพราะมันสำคัญไอ้พกจุลชีวันพว ก, วพวกนี้ยก็เพราะว่าเด็กเนี่ยนะถ้าหากว่าคลอดโดยไม่ใช่วิธีธรรมชาตินะคือผ่าคลอดเนี่ยซึ่งทําให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับจุลชีวันเนี่ยทางช่องคลอดจากแม่เนี่ยก็เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากนะที่จะเป็นโรคนานาชนิดเลยโรคเบาหวานโรค ขอพืด น, นะโรคอ้วนนะแล้วก็โรคแพ้เด็กที่เกิดมาด้วยการผ่าคลอดเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ถึง8เท่าเนะมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติเขาก็สงสัยจะเป็นพออนะเพราะอะไรนั้นแล้วพบว่าผลสำคัญคือว่าเด็กที่ เกิดจากการผ่าคลอดเนี่ยเขาหมดโอกาสที่จะได้รับพวกจุลชีวันจากแม่ทางช่องคลอดเนี่ยพอไม่ได้โอกาสนี่นะไอ้จุลชีพพวกนี้มันก็เลยมันก็เลยไม่มีจุลชีวันที่จะไปจัดการกับโรคนานาชนิดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะนะเบาหวานหอบผืดโรคแพ้โรคอ้วนนะแล้วก็อีกหลายโรคทีเดียว เพราะนั้นเนี่ยตอนที่เราพบแล้วว่านเนี่ยไอ้พวกจุลชีวันหรือแบคที ria ในท้องของเราเนี่ยโดยเฉพาะท้องของเด็กแรกคลอดเนี่ยสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในช่วงปีแรกผ่านช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเติมจุลชีวันดีๆเข้าไปนะมันก็มีผลน้อยละและจุลชีวันพวกนี้มันไม่ได้แค่ช่วยป้องกันโรคนะ นานาชนิดอย่างที่ว่านะมันยังช่วยในการย่อยการดูดซึมสารอาหารเพราะว่ามันมีสารอาหารนานาชนิดเลยที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราย่อยเองไม่ได้นะไอจุลีชีวันพวกนี้มันก็ทำหน้าที่ย่อยและเกิดวิตามินขึ้นมาวิตามินหลายชนิดนะเราสร้างเองไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะได้จากการกินอาหาร หรือว่าไม่พอมันต้องอาศัยจุลชีวันในท้องของเราเนี่ยที่ช่วยสร้างขึ้นมาจากการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็นะจึงเห็นความสําคัญแล้วนะว่าเด็กเนี่ยนะใช่ไม่ใช่ว่าแค่แค่กินอาหารหรือได้รับสารอาหารจะเพียงพอเท่านั้นนะมันต้องมีหลักประกันว่าเนี่ยในท้องของเด็กเนี่ยเดยกเพาะเลยนะในกระเพาะเนี่ยลำไส้เนี่ย มันมีพวกตุลชีวันพวกนี้เนี่ยหรือว่าเชื้อดีอยู่ด้วยเพราะมันทําประโยชน์สารพัดเลยซึ่งมนุษย์เราก็เพิ่งรู้เพราะแต่ก่อนเนี่ยเรานึกแต่ว่าอันน้พวกนี้คือชั่วโรคนะแบคทีเรียคือชั่วโรคทาไมนึกว่ามันจะมีเชื้อดีแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะต่อสุขภาพของเราแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะก็มีการค้นพบว่า เด็กที่ขาดอาหารเนี่ยอันนี้เด็กโตแล้วนะ5 6าขวบเนี่ยการขาดอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหรือเหตุผลสำคัญเลยนะเกิดจากการขาดเชื้อดีนานาช น, น, น, นิดเลยในท้องอันนี้เขารู้ได้ไงเขาศึกษาจากเด็กแฝดนะมีเด็กแฝดหลายคู่เลย ทั้งที่กินอาหารอย่างเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันร่างกายก็ปกติเหมือนกันแต่เด็กคนนึงสุขภาพดีเด็กอีกคนหนึง่งสุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกับเป็นเด็กขาดอาหารเลยเด็กขาดอาหารที่ว่าคือว่าพุงโร่ท้องป่องหรือว่ากล้ามเนื้อรีบตัวแคกงแข็ง อาจจะไม่ชัดเจนนะมันกับเด็กที่ขาดอาหารจริงๆนะแต่ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างเด็กแฝสองสองคนแลเพราะว่าเนี่ยเด็กแฝที่ร่างกายผายพร้อมเนี่ยท่านังที่ได้อาหารเหมือนกับเด็กอีกคนนึงเลยเหมือนกับพี่น้อยคนนึงเลยแต่ว่าผ่ายพร้อมเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ามวลชีวันเนี่ย ที่แตกต่างจากน้องหรือพี่ที่ร่างกายดีไอม้มวลชีวั น, นก็แปลง่ายๆนะมันภาษาฝรั่งแปลว่าไมโครไบโอมพูดง่ายคือว่าไอการที่เด็กแฝดคนหนึ่งเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนี่ยทั้งที่ได้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนแต่ว่าปัญหาคือไอม้มวลจุลชีวันเนี่ยนะ มันไม่ดีทำให้มันเนี่ยไม่สามารถจะย่อยอาหารหลายชนิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับร่างกายได้ร่างกายก็เลยขาดสารอาหารบางชนิดก็ดเลยผอมก็เลยพุงโรหรือว่ากาล้ามเนื้อรีบแล้วเขาทดลองนะลองให้ลองทำสูตรอาหารนะเป็นสูตรอาหารที่ทำพิเศษเลยนะที่ไม่ได้เพียงแต่มีสารอาหารครบ แต่ว่ามีสารอาหารบางตัวเนี่ยช่วยบำรุงพวกเชื้อดีในในกระเพาะบอกว่าเด็กเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเลยนะแต่ถ้าให้อาหารบางชนิดนะแม้ว่าจะมีสารอาหารครบแต่ไม่ได้มีสารอาหารที่ไปบำรุงพวกมวลจุลชีวันหรือว่าพวกเชื้อดีในกระเพาะเนี่ย สุขภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้ น, นตอนนี้เขาพบแล้วว่าเนี่ยการที่เด็กขาดอาหารเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยนะบังคลาเทศในปากีสถานในแอฟริกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะยังขาดสารอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่ อ, อพวกมวลตุลชีวันด้วย แต่ว่าจะทําให้มันกลับมาดีนี่ยากนะเขาเพราะว่าทางที่ดีเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้เกิดนะความบกพร่องทางด้านมวลจุลชีวันนะตั้งแต่ยังเล็กเลยเพราะถ้ามันบกพร่องไปแล้วนี่จะทําให้มันดีกลับมาเหมือนเดิมนี่ยากนะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลเด็กแรกคลอดหรือเด็กทารกเนี่ยนะสคัญมากเลย ว่าไม่ใช่แค่ให้สารอาหารให้มีน้ํานมแล้วมันจะพอนะมันต้องคํานึงถึงเรื่องของพวกเชื้อดีในกระเพาะด้วยอันนี้มันก็ทําให้เราเห็นเลยนะว่าเวลานี้เราจะมองอะไรเนี่ยเหมาคลุมเนี่ยไม่ได้เลยนะเช่นมองว่าแบคทีเรียเนี่เป็นเชื้อโรคเดียวไม่ได้ต้องมองแบบแยกแยะ ก, ก็คือว่าเชื้อโรคก็มีเชื้อดีก็มีและเชื้อดีนี่ก็ต้องรักษาไว้ แต่ว่าเราเนี่ยทำลายเชื้อดีในร่างกายเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเช่นกินยาปฏิชีวนะอย่างพร่ําเพรื่อไอ้กินยาปฏิชีวนะพร่าเพรื่อนี้ก็ทําให้เชื้อดีในร่างกายเราหมดนะหรือว่าอนามัยจัดเนี่ยเชื้อโรคนิดเชื้อโรคหน่อยก็ไม่การแตะทั้งที่บางทีมันมีเชื้อดีอด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเลยเนี่ยเริ่มมีการเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายนะกินนมเปรี้ยวนะหรือว่า กินสารบางอย่างที่เป็นบำรุงเชื้อจุลชีวันเดีย๋ยวนี้เนี่ยเราต้องมองความจริงนีแบบแยกแยะมากคืนนะใาญ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกคอเลสเตอรอลไม่ดีตอนนี้ก็พกแล้วว่าไอ้คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็มีที่ดีก็มีนะในที่ไม่ดีก็อย่าไปกินอย่าไปเติมไอ้ที่ดีก็ต้องเติมเข้าไปเยอะๆนั่นโลกนี้มันมีความซับซ้อนมากนะมีความละเอียดลออนที่เราจะมองคลุมไม่ได้นะต้องแยกแยะ อันนี้ก็รวมถึงคนศัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะที่แย่มันก็มีดีนะที่ดีมันก็มีแย่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรู้จักพิจารณา